ทีนี้ในบทว่าโสธรรมเทเสติอาทิกัลยานางมัชเชกาลยานางประโยสานกัลยานา ง, านานางเนี่ยนะครับความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยนะครับทรงอาศัยความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายจึงทรงสละวิเวกสุขอันยอดเยี่ยมทรงแสดงธรรมก็แลเมื่อทรงแสดงธรรมนั้นน้อยก็ตามมากก็ตามชื่อว่าเมื่อทรงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้น เป็นต้นประการเดียวถามว่าเป็นอย่างไรล่ะแต่ว่าคือแม้คาถาคาถาเดียวก็เชื่อว่ามีความงามในเบื้องต้นด้วยบาทแรกชื่อว่ามีความงามในท่ามกลางด้วยบาทที่สองและบาทที่สชื่อว่ามีความงามในที่สุดด้วยบาทสุดท้ายเพราะมี ธรรมะสละส่วยไปทุกขั้นตอนนะครับถ้าคาถาเดียวนะเช่นอนิจจาวัตถสังขาราอุปทวยธธ ร, รมมิโนอุปชิตวานิรุตช i, ันติเตสังอุปสโมสุโคเนี่ยนะอนิจจาวัตสังขาราเนี่ยงามในเบื้องต้นนะครับอนนอุปาทวยธธมมิโนอุปชิตวานิรุตชันติเนี่ยนะครับแสดงว่างามในท่ามกลางเตสังอุปสโมสุโขอันนี้งามในที่สุดนะครับท่าคาถาเดียวแบบนี้นะครับพระสูตตอนเดียวชื่อว่างามในเบื้องต้นด้วยคำนิทานคือเริ่มเรื่องนะ งามในท่ประโยสารด้วยคําลงท้ายคือคํานิคมชื่อว่า ง, งามในท่ามกลางด้วยคําที่เหลือคือระหว่างนั้นพระสูตรมีอนุสนธิต่างกันคือมีหลายตอนเนี่ยนะชื่อว่า ง, งามในเบื้องต้นด้วยอนุสนธิต้นงามในประโยชสารด้วยอนุสนธิเบื้องปลายชื่อว่า ง, งามในท่ามกลางด้วยอนุสนธิที่เหลือนะครับอันนี้พูดถึงลักษณะของพระสูตรนะครับแต่ละสูตรแต่ละสูตรเพราะว่าความยาวความสั้นของพระสูตรแต่ละสูตรนี้ไม่เท่ากันถ้าเอกานิบาศก็แคบ ประโยคสอประโยคเท่านั้นเองนะครับถ้าทุกการนิบาตก็อาจจะมากขึ้นอีกหน่อยนะครับถ้าเป็นทีคณิกาก็ยอ่อเฟ้ยไปเลยอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็เอ า, เอามาตรฐานเหล่านี้ไปช่วยช่วยวัดดูว่าเออนี่งามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดในลักษณะแบบนี้แบบนี้นะอีกประการหนึ่งนะครับศาสนธรรมแม้ทั้งสิน้นชื่อว่างามในเบื้องต้นด้วยศีล น, นะครับงามเบื้องต้นด้วยศีลอันเป็นประโยชน์ของตน นะครับศีลเนี่ยเป็นประโยชน์ของตัวเองจริงๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าศีลไม่ดีแล้วนะครับโหแย่แล้วนะครับถึงจะฉลาดแตกฉานขนาดไหนอบายก็หวังได้เพราะศีลไม่มีนะครับศีลเนี่ยนะครับสุขติหรือทุกขติก็เนื่องด้วยศีล น, นะครับเชื่อว่างามในท่ามกลางด้วยสมถะวิปัสนามัคและผลคือสมถะวิปัสสนามัคผลเนี่ยชื่อว่างามในท่ามกลางส่วนงามในที่สุดงามในประโยชน์สารได้แก่พระนิพพานนะครับนี่ในหนึ่ง นะครับคือศีลก่อนนะครับศีลเนี่ยเบื้องต้นนิพพานที่สุดระหว่างนั้นทั้งหมดเรียกว่าท่ามกลางในยะที่หนึ่งนะในยะที่สองอีกว่าว่าชื่อว่างามในเบื้องต้นด้วยศีลและสมาธิงามในท่ามกลางด้วยวิปัสสนาและมัจงามในที่สุดด้วยพระนิพพานในที่สองนะครับศีล ส, สมาธิวิปัสสนามัจและนิพพานในที่สามอีกอย่างหนึ่งชื่อว่างามในเบื้องต้นเพราะพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ตรัสรู้ดีแล้ว นะครับพุทธสุโพธินะครับชื่อว่างามในถ้มกลางเพราะพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วนะครับสวากขาโตพระวตาธรรมโมเนี่ยนะครับชื่อว่างามในประโยสารเพราะความปฏิบัติดีแห่งพระสงค์อันนี้ในที่สามนะครับส่วนในที่4ี่บอกว่าชื่องามในเบื้องต้นโด้ด้วยอภิสัมโพธิญาณคือของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะ ยานเป็นเครื่องตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยชื่อว่างามในเบื้องต้นชื่อว่างามในท่ามกลางด้วยปัจเจกโพธิญาณอันนี้ดูได้ในสุตตานิบาตนะครับคควิสานสูตรสูตรที่ว่าด้วยนอรตในสูตรนั้นก็จะกล่าวถึงพระปัจเจกนะครับเพราะฉะนั้นอ่างามในท่ามกลางเนี่ยนะครับด้วยปัจเจกโพธิญาณชื่อว่างามในที่สุดด้วยสาว ก, กโพธิญาณที่ผู้ปฏิบัติจะพึงบรรลุเพราะฟังแล้วก็เป็นอย่างนั้นนะครับ นี่ก็งามแบบเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดในที่สนะครับโดยพระพุทธเจ้าพระประเจกแล้วก็พระสาวกท่านในที่ห้าบอกว่าและพระธรรมนี้ที่บุคคลฟังอยู่นําความดีนั่นแหละมาให้แม้ด้วยการฟังเพราะข่มนิวรได้คือถ้าฟังแล้วข่มนิวรได้เนี่ยนะครับชื่อว่างามจึงชื่อว่างามในเบื้องต้นนะครับ ถ, ถ้าฟังอยู่นะ ถ, ถ้าทำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าถูกต้องนะครับฟังแล้วต้องระ ง, งับนิวรณ์ได้การมาฉันทาไม่กลุ่มรุมพยาบาทไม่กลุ่มรุมถีนมิท่าไม่กลุ่มรุมวิจิกิจฉาไม่กลุ่มุมอุทะจกักุกุจจะไม่กลุ่มรุมเนี่ยนะครับจึงจะชื่อว่าถูกต้องว่า ง, งั้นเถอะเพราะฉะนั้นงามในเบื้องต้นก็คือเวลาฟังก็นิวรณ์ไม่กลุ่มรุมฟังแล้วก็หนักเรื่อยหนักเรื่อยเอ๊มีปัญหาแล้วมั้งแต่ก็ยังว่านะธรรมะเมื่อไหร่จะได้ฟังทีก็ไม่รู้ เมื่อปฏิบัติอยู่ก็นําความสุขนั่นแหละมาให้โดยแท้แม้ด้วยการปฏิบัติเพราะว่านําความสุขอันเกิดแต่สมถะและวิปัสสนามาให้เพราะฉะนั้นชื่อวังงามในถ้ำกลางด้วยความสุขที่เกิดจากสมถะและวิปัสสนานะครับนะถ้าปฏิบัติถูกต้องนะจะต้องมีความสุขที่เกิดจากสมถะและวิปัสสนานะครับ ส่วนงามในที่สุดเพราะผู้ปฏิบัติอย่างนั้นเมื่อผลแห่งการปฏิบัติสาเร็จเสร็จสิ้นแล้วย่อมนำความงามนั่นแหละมาให้แม้ด้วยผลแห่งการปฏิบัติเพราะนำความเป็นผู้คงที่มาให้เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่ามีความงามในประโยสารคือบรรลุมรคผลนิพพานแล้วก็เป็นตาที่โนรนะครับหรือว่ามั่นคงในทั้งอิทธารมและอนิธารมคือเป็นผ้าหันนะคบอันนี้เรียกว่างามในที่สุด งามในเบื้องต้นด้วยการฟังงามในท่ามกลางด้วยการปฏิบัติงามในที่สุดด้วยการบรรลุมรคนะครับนี่ในที่ห้าต่อไปนัยยะที่หบอกว่าสาระธรรมนั้นสารธรรมคือธรรมที่เป็นแก่น น, นะครับชื่อว่ามีความงามในเบื้องต้นด้วยความบริสุทธิ์แห่งแดนเกิดเพราะเป็นแดนเกิดแห่งที่พึ่งนะครับชื่อว่ามีความงามในท่ามกล า, างด้วยความบริสุทธิ์แห่งประโยชน์ชื่อว่า มีความงามในประโยชน์สารด้วยความบริสุทธิ์แห่งกิจนะคนทีแรกบริสุทธิ์แห่งแดนเกิดก็2บริสุทธิ์แห่งประโยชน์ก็3บริสุทธิ์แห่งกิจ ด, ด้วยด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าโสธรรมังเทเสติอาทิกกัลยาณังมัชเชกัลยาณังประโยสารกัลยาณังนะครับอันนี้ก็คือว่าแค่ไหนครับจึงจะเรียกว่าไพราะ กาลยาณะเนี่ยนะบางทีก็แปลว่าดีนะครับดีในเบื้องต้นดีในท่ามกลางแล้วดีในที่สุดนะนะกาลยาณะทั่วๆไปแปลว่าดีนะครับตรงนี้แปลว่าไพราะนะครับนะเช่นกาลยาณนะมิตรก็มิตร ด, ดีใช่ไหมครับอันนี้ส่วนพระธรรมนี่บอกกาลยาณนะแปลว่าไพราะนะครับอันนี้สำนวนไทยนะครับแต่ก็ศัพท์เดียวกันก็พระผู้มีพระภาคเจ้านะครับ เมื่อจะทรงแสดงธรรมอันใดย่ยอมทรงประกาศาศาสนะพรหมจรรย์และมรรคมรรย์ทรงแสดงโดยนิยะต่างๆกันพรหมจรรย์ น, นั้นชื่อว่าศาสถังเพราะสมบูรณ์ด้วยอัดชื่อว่าสะพยัญชนะเพราะสมบูรณ์ด้วยพยัญชนะตามฐานานุรูปนะครับคือตามสมควรกับฐานะนะคือ พระธรรมของพระองค์เนี่ยประกาศศาสนาพรมจารย์คือศีลสมาธิและปัญญามรรคพรมอาจารย์ได้เก่อริยมัติทั้ง4ี่นั่นเองนะครับนี่นะครับถ้าพูดรวมรวมเหมือนนะไพร่ทั้งอัตตะและพยัญชนะหมดเลยชื่อว่าสาสตรถังในที่สองนะครับเพราะประกอบด้วยนะสังกาสะคือให้รู้ชัดนะครับสังกาสนาประกาศสนาวิวัฒนาวิภัชนี อ, นะอุตตนากรร ม, มะแล้วก็ปัญญาติ นี่ยเรียกว่าอัฐบทนะครับอัฐบทนี้มีอยู่6นะครับสังกาสนาปกาสนาวิวารณาวิพัชนาอุตตนะกรรมะแล้วก็ปัญญตินะครับเนี่ยเรียกว่าอัฐบทแต่ในคัมภีร์ก็แปลมีปัญหาบ้างนะครับแปลไม่ไม่สมบูรณ์นะครับอัฐบทมี6บทนะครับอันนี้คือเรียกว่าขยายศาสทั้งสัพยัญชนะตามลักษณะของคัมภีร์เนติปกรณ์นะครับส่วนบทนี้ชื่อว่าพยัญชนะนะครับอัถะชื่อว่าศาสตร์ทั้งมีอยู่6อย่างเหมือนกันเถอะ บทชื่อว่าสัพยัญชนะังก็มีอยู่6อย่างเหมือนกันคืออักขระ1นะครับสบทพยัญชนะอาการนิรุติและนิเทศนะครับเ น, นี่ก็ขยายคําว่าสาถังสัพยัญชนะนะครับด้วยอัถบทและพยัญชนะบทนะครับอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าสาตรถังเพราะเป็นของลึกซึ้งโดยอัดนะครับในยะที่3และลึกซึ้งโดยการแทงตลอดนะครับมีลึกซึ้ง2อย่างนะอัฐเนี่ยนะครับคือลึกซึงโดยอัดและ แทงตลอดส่วนชื่อว่าสัพยัญชนะลึกซึ่งโดยธรรมะและลึกซึ่งโดยเทศนาคำภีรภาพมีสอย่างนะครับคือจําได้นะคำเพรภาพมี4อย่า ง, ค, ง, นะ ค, าางคือหนึ่งลึกโดยคำภีรภาพโดยอัดโดยธรรมโดยเทศนาและโดยปฏิเวทนะครับตอนที่เราเรียนอิติวุติกาแรกๆเลยนะครับสูตรแรกในนิทานนะครับในคนํานิทานนะเนะี่ นะครับที่เรียกว่าธรรมะของพระองค์นี่นะครับสุขุมคัมภีรภาพลึกซึ้งเหมือนสมุดนะเป็นที่พึ่งของสัตว์เล็กๆเช่นกระต่ายไม่ได้ชั้นใดพระธรรมของพระองค์ก็ลึกซึ้งโดยอัดโดยทำโดยเทศนาและก็โดยปฏิเวชนะครับเพราะฉะนั้นศาสตร์ถังเนี่ยนะครับหมายถึงลึกซึ้งโดยอัดและโดยปฏิเวสส่วนสัพพยัญชนะโดยธรรมและโดยเทศนานะครับนี่ในที่สาม ส่วนในที่4ี่นะครับสาถังนี่หมายถึงเป็นอารมณ์คือวิสัยวิสัยนี่อารมณ์นะครับแห่งอัฏฐปฏิสัมพิทาและปฏิภาณปฏิสัมพิทาส่วนชื่อว่าสัพยัญชนะนี้เป็นวิสัยของธรรมะปฏิสัมพิทาและนิรุตติปฏิสัมพิท า, าคือตรงนี้นี่นะครับท่านจัดกลุ่มเรื่องให้นะครับส่วนรายละเอียดต้องไปดูที่อื่นเช่นปฏิสัมพิทาก็เหมือนกับที่เราเคยกล่าวมาแล้วนะครับถ้ามาขยายโหทุกศัพท์ไปหมดก็จบไม่เป็นแน่นะครับ เพราะฉะนั้นบางอย่างก็ที่เคยขยายแล้วก็ติดตามดูตามเดิมนะครับนี่เรียกว่าศาสตร์ถังสัพพยัญนชนะงนเนี่ยขอบเขตแค่ไหนครับนะศาสตร์ถังสัพพยัญชนะงในยะแรกคือคืออะไรครับในยะแรกก็เอ า, าศาสนาโรมันจรัร์มัคคพโรมันรันแสดงโดยนัยะต่างๆชื่อว่าศาสตร์ถังเพราะมีอัฏฐบริบูรณ์แล้วนะครับพยัญชนะงก็พยัญชนะสมควรแก่อัฏฐ น, น, นั้นหมดเลย ในที่2ก็คือเอาอัฏฐบทและก็พยัญชนะบทนะครับตามคำพีเนติปกรณ์มาที่บายนะครับส่วนนัยยะที่สก็เอาคัมภีรภาพสมาที่บายนันยยะที่4ก็เอาปฏิสัมพิทา4มาที่บายส่วนนัยยะที่5นะครับพระมาจารย์นี้ชื่อว่าเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมสายของปริค ก, ะกะชนคือปัญญาชนนะครับเพราะเป็นสิ่งที่อันบัณฑิตพึงซ่องเสพ เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าสาถัางนั น, นะคือต้องเป็นนักให้ควรนะครับเป็นอารมณ์ของบัณฑิตทั้งหลายเลยนะครับพระมรรย์นี้เป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสของโลกิยชนเพราะเป็นสิ่งที่ควรเชื่อถือเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าสัพยัญชนะนะครับสาถังเพราะมีคำอธิบายลึกซึ้งสาพยัญชนงเพราะมีบทต้น ที่จะบอกว่าแจมแจ้งนักพระเจ้าข่าแจมแจ้งนักพระเจ้าข่าเนี่ยนะครับบอกโอ้โหเนื้อความที่พระองค์ตัดนี่ลึกซึ้งมากแต่ใช้คําฟังไม่ยากแต่เนื้อหาลุ่มลึกกว่ากั้นนะนะเรียก mm hmm. ว่าดูน้ําทะเลบอกดูและใฝ่กว่างั้นแต่ลึกลักษณะนี้นะครับ mm hmm. พระมจาจันนี้ชื่อว่าเกวัลปริปุ น, นังเพราะบริบูรณ์ไปทั้งหมด mm hmm. เหตุไม่มีข้อที่จะต้องนําเข้าไปเพิ่มเติมอีกเลยนะครับ ศีล ส, สมาธิปัญญาของพระ อ, องค์เนี่ยไม่ต้องไปเพิ่มอีกเลยนะครับอริยมรรคของพระ อ, องค์ก็ไม่ต้องไปเพิ่มเออขาดอีกตัวหนึ่งนะพระ อ, องค์ยังไม่ได้ตรัสนี้ไม่มีครับไม่ต้องเพิ่มอีกเลยเชื่อว่าปริสุดทางเพราะไม่มีโทษคือเหตุไม่มีสิ่งที่จะต้องนำออกเอออันนั้นเกินไปหน่อยนะเอาออกหน่อยเอาออกหน่อยนะครับเหมือนกับแกงเนี่ยนะบอกให้เนี่นี่มันมันเค็มน้อยไปหรือเออนี่เค็มมากไปนี่ไม่มีนะครับมีแต่พอดีเลยนะครับถูกลิ้นของทุกคนนะครับ แต่ก็ค้นหาอัธยาศัยของตัวเองให้พบนะครับว่าชอบทีคณิกายมัชฌิมนิกายสังยุตอังคุตหรือว่าชอบแบบไหนก็ค้นหาตัวเองให้พบก่อนนะครับไปตําหนิคําสอนไม่ได้นะโอ้นี่ยาวเกินไปนี่อย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้นะครับอีกอย่างหนึ่งพรหมจันท ร, ร์ชื่อว่าสาถังเพราะมีความช่ำชองอันบุคคลพึงบรรลุได้ด้วยการปฏิบัตินะเข้าถึงได้นะเพราะการปฏิบัตินะอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าสะพยัญชนะงเพราะมีความฉลาด ในอธิบายด้วยปริยัตนะครับคือปริยัติเนี่ยใช้พยัญชนะอธิบายได้อย่างละเอียดแต่ว่าจะเข้าถึงช่ำชองก็อาศัยการปฏิบัตินี่นะครับเพราะฉะนั้นชื่อว่าศาสตร์ถังสาสพยัญชนะศาสตร์ถังก็หมายถึงการปฏิบัติศาสพยัญชนะก็เป็นปริยัตินะครับ เชื่อว่าปริปุ น, นังนะครับเพราะบริบูรณ์ด้วยธรรมขันธ์ทั้งห้ามีศีลเป็นต้นนะครับปริปุนังเนี่ยบริบูรณ์ด้วยธรรมขันธ์คือศีลขันธ์สมาธิขันธ์ปัญญาขันธ์วิมุตติขันธ์และวิมุตติญาณทัศนขันธ์นะครับเนี่ยบริบูรณ์จริงๆนะครับไม่มีขาดเลยชื่อว่าปริสุทธังเพราะปราศจากอุปกิเลสเพราะประพฤติเพื่อรื้อถอนกิเลสเพราะไม่มุ่งโลกามิตรนะครับเป็นคําสอนที่บริสุทธิ์จริงๆนะครับ ไม่มีราคะโทสะโมหะมานะอิจฉามัชิระไปแทรกไปแซงไม่มีจะพ่อทำลายถอนกิเลสแล้วก็เวลาคําสอนที่พระ อ, องค์ทรงตรัสเนี่ยนะครับไม่มุ่งว่าเออเนี่ยนะเทศครั้งนี้เขาจะถวายกันเทศเท่านั้นเท่านี้ไม่มีนะครับหรือว่าเขาจะไปทําโน่นให้ทํานี่ให้ช่วยเหลือเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่มีไม่มุ่งเลยนะครับเพราะว่ามุ่งกําจัดอุปกิเลสอย่างเดียวเชื่อว่าพรหมจันทร์ พรหมจรรย์เนี่ยนะครับเพราะเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติกําหนดด้วยสิกขาสามเพราะผู้เป็นพรหมคือประเสริฐที่สุดและจะต้องประพฤติและเป็นจริยาของผู้เป็นพรหมเหล่านั้นเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าสาทังสพยัญชนังเกวละปริปุนังปริสุทธังบรมจริยังประกาศเสตินะครับนี่นะสิกขาสามเนี่ยนะเพราะว่าผู้เป็นพรหมนะครับประพฤติต้อง อย่างน้อยที่สุดก็อั บ, บรามมจริยาใช่ไหมครับที่จะประพฤติลักษณะนี้ได้นะครับจะต้องเป็นพรหมนะครับบทว่าปฐโมได้แก่บุคคลที่หนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นลำดับแห่งการนับและเพราะผู้สูงกว่าชาวโลกนะครับพระพุทธเจ้านี้เลิศกว่าชาวโลกจริงๆบทว่าตาเสวะสัตุสาวกโก พระสงฆ์เช่นกับพระธรรมเสนาบดีผู้เกิดแล้วในที่สุดแห่งการฟังพระธรรมเทศนาของพระศาสดาคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระคุณตามที่กล่าวแล้วนั่นแหละนะม่ใช่เป็นสาวกของพระศาสดาด้วยเหตุแห่งการปฏิญญาเหมือนปุรณะกสปะเป็นต้นนะครับไม่ใช่แบบลัทธินั้นนะแต่เป็นสาวกที่บรรลุตามที่กล่าวไปแล้วนั่นเองบทว่าปาติปโดความว่าเชื่อว่าปฏิบติ เพราะเกิดคือเป็นโดยอริยชาติด้วยอริยมรรคอันกล่าวข้อถึงข้อปฏิบัติอธิบายว่ามีกิจด้วยการปฏิบัติยังไม่สําเร็จคือกําลังปฏิบัติอยู่อันนี้หมายถึงใครครับพระเสขมีพระโสดาบันเป็นต้นนั่นเองนะครับพระอริยบุคคลชื่อว่าพหุสุตโตเพราะมีปริยติธรรมคือสุ ต, ตะเคยะเป็นต้นนะ น, นะสุตตะเคยะเวยากะรณะคาถาอุทานิติวุตกะชาตกะและอัภูตธรรมเนี่ย น, นะครับ นะครับเพราะว่าสะดับมามากจริงๆอ่ะนะฟังมาฟังพระไตรปิฎกมาเยอะชำนานชำชองเนี่ยชื่อว่าพระหูสูตรเชื่อว่าศีละวัตตูปะปะัณโนเพราะเข้าถึงคือสมบูรณ์ได้แก่ประกอบด้วยศีลมีปาติโมขสังวรศีลเป็นต้นและด้วยทุดงควัดมีการอยู่ป่าเป็นวัดเป็นต้นอ่ะนะ นี่คือพระเสขานี่นะครับสมบูรณ์ด้วยศีลและวัดศีลก็ได้แก่จตุ ป, ปาริสุทิศีลและบวกทุดงเขาวัดเข้าไปด้วยนะครับอันนี้เรียกว่าสมบูรณ์ด้วยศีลและวัดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงว่าพระธรรมเทศนาเชื่อว่าเป็นเทศนาอนุเคราะห์แก่ชาวโลกเพราะอัธยาศัยเกื้อกูลและพระธรรมเทศนานั้นเนื่องในบุคคลสามจพวกเหล่านี้ด้วยประการชนีนะครับ ประทำคำสอนของพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าหนึ่งนะเนื่องด้วยพระพุทธเจ้าสองเนื่องด้วยพระพาหันตสาวกสามเนื่องด้วยพระเสขะนะครับความที่เหลือก็รู้ได้ง่ายเพิงทราบวินิจฉัยในคาถาทั้งหลายดังต่อไปนี้ว่าบทว่าตัดสรรวยโยความว่าสาวกผู้เสด็จตามนะแล้วก็ไปทวนที่ค า, า, าถาที่พระองค์ตรัสตอนท้ายว่า พระศาสดาแลผู้สแสวงหาคุณอันใหญ่เป็นบุคคลที่หนึ่งในโลกภาษาวกผู้เกิดตามภรษาศาสดานั้นผู้มีตนอันอ บ, บรมแล้วต่อมาภะษาวกอื่นอีกแม้ยังศึกษาปฏิบัติอยู่ได้สดับมามากประกอบด้วยศีลและวัดบุคคลสามจำพวกเหล่านั้นเป็นผู้ประเสริฐสุดในเทวดาและมนุษย์ บุคคล3าจำพวกเหล่านั้นส่องแสงสว่างแสดงธรรมะอยู่ย่อมเปิดประตูแห่งอมะตะนิพานย่อมช่วยปลดเปลื้องชนเป็นอันมากจากโยคะชนทั้งหลายผู้ปฏิบัติตามอริยมครคที่พระศาสดาผู้นำพวกผู้ยอดเยี่ยมทรงแสดงดีแล้วเป็นผู้ไม่ประมาทในศาสนาของพระสุคตย่อมกระทำที่สุดแห่งทุกในอัตภาพนี้ได้แท้นะครับทําไม่ประมาทนะไม่ปัดไม่ประมาทในศาสนาใช่ไหมครับ ไ ม, ไม่ประมาทในศีลสมาธิปัญญาที่พระองค์ส่งแนะนำแล้วก็สามารถทําที่สุดแห่งทุกได้นะครับทาไม่ประมาทนะยมามต้องไม่ประมาทงั้นถ้าประมาทก็โตไผยโตไัยพึงทราบวินิจฉัยในคาถาทั้งหลายดังต่อไปนี้ว่าบทว่าตัดสรรวยโยความว่าสาวกชื่อว่าผู้เสด็จตามเพราะว่าเกิดภายหลังพระองค์ด้วยการคล้อยตามข้อปฏิบัติ นี่ลักษณะของสาวกนะสาวกคือเสด็จตามครับคือเกิดภายหลังและคล้อยตามด้วยข้อปฏิบัติทั้งหมดที่ทพระองค์ทรงแสดงและคล้อยตามพระธรรมเทศนาของพระศ า, ศาสดาพระองค์นั้นนะครับต้องไม่ขัดแย้งกับคําสอนนะครับนะไม่ใช่โอ้โหพระองค์บอกว่าโยนิโศแล้วไปบอกว่าไม่ต้องโยนิโศนะครับนะถ้าอย่างนั้นก็ใช้ไม่ได้แล้วนะครับพราะมีบางท่านบอกว่าโอ้โยนิโสมทําได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันเป็นอนาัตตก็เลยไม่ต้องอะไรสักอย่างเลยนะครับ ถ้าอย่างนั้นก็มีมีปัญหาแล้วนะครับเพราะแสดงไม่คล้อยตามภาษาสดานะครับเชื่อว่าส่องแสงสว่างเพราะกําจัดความมืดเขือวิชาส่องแสงสว่างกล่าวคือแสงสว่างแห่งพระธรรมในขันธสันดานของตนและขันธสันดานของผู้อื่นนะครับคือส่องตัวเองให้สว่างด้วยอริยมรรคแล้วก็เอาพระธรรมคําสอนเนี่ยนะครับส่องให้ผู้อื่นได้สว่างด้วยอริยมรรคเหมือนกันบทว่าธรรมะมุทีรยันตาได้แก่ กล่าวจะตุราริยสัจจะทำที่บอกว่ากล่าวทำแสดงทำเนี่ยหมายถึงกล่าวอริยสัจนะครับไม่ใช่โอ้โหขึ้นบนธรร ม, มาะเพ้อเจอ้อเดราชานคาถาเต็มธรร ม, มาะหมดแล้วก็บอกว่าแหมแสดงทำไม่ได้นะครับไม่ใช่เดราชานคาถาไปเต็มหมดนะครับปราช จ, จะคาถาการบานการเมืองแล้วอ้างวบบเป็นธรรมะไม่ได้นะครับมันเดราชานกคาถา บทว่าปราปุรันติความว่าย่อมเปิดประตูแห่งอมะตะคือพระนิพพานได้แก่อริยมรรคนะครับประตูแห่งนิพพานได้แก่อริยมรรคนะบทว่าโยคาความว่าจากกรมมโยคะเป็นต้นบทว่าสัทธวาวนะเหนความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าสัทธวาหะผู้นำหมู่เพราะนำหมู่คือเวณยสัตว์คือขนสัตว์ออกจากกันดารคือพบ นะครับพระองค์นี้ขนออกจากการมมาพบจากรูปประพบจากอารูปประพบพระองค์นี้ขนสัตว์ออกจากอะไรครับออกจากคตินะครับเช่นออกจากนิยรยัคติออกจากเปตคติออกจากติระฉานคติออกจากมนุสคติออกจากเทวคตินะครับพระองค์ก็ขนออกจากกำเนิดสี่พระองค์นี้ขนออกจากวิญญาณทิติขนออกจากสัตววาศขนออกจากโลกกระทำเนี่นะครับแปลว่าเป็นผู้นําหมู่นําพวกนะ ด้วยพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้นำหมู่พระองค์นั้นนะครับนะพระองค์นี้เป็นอาสะอาสะพระใช่ไหมครับเป็นผู้เลิศนะนะบทว่าสุเทศิตังมคขะมนุกกรันติความว่าเวนยสัตย่อมคล้อยตามคือปฏิบัติ เนะวนยะนะผู้ที่ฝึกได้นะครับก็จะคล้อยตามคือปฏิบัติอริยมรรคที่พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงแสดงแล้วโดยชอบตามแนวทางแห่งเทศนาของพระองค์นะครับถ้าเวนัยจริงๆนะผู้ที่ฝึกได้ก็จะฝึกคือประพฤติปฏิบัติน้อมอนุวัตตัวเองเนี่ยตามพระธรรมคําสอนที่พระองค์ทรงแสดงบทว่าอีเทวะในอัตภาพนี้เอง คือถ้าไม่ประมาทก็สามารถทำที่สุดแห่งทุกในชาตินี้นี่แหละถ้าไม่ประมาทจริงๆนะถ้าเป็นเวนยะนะครับ